จิตใจปล่อยไปตามสภาวะของมันอันนั้นคือภาวนาสงบแล้วสบายแล้วความรู้สึกนึกิจของเราไปมีอุปาทานมั่นหมายมันขึ้นเมื่อไรมันก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นฉะ น, นั้นในการประพฤติปฏิบัติท่านจึงให้ปล่อยวางเช่นว่า